พิธีการที่เกี่ยวกับการปวงศสลีละหลวงพอ่อก็สิ้นสุดนะตั้งแต่เมื่อเช้านะที่เหลือก็เป็นการเก็บงานสะสางสถานที่ต่างๆก็ถือว่าในส่วนตัวเนื้องานก็เป็นอันสิ้นสุดกันจบสิ้นในวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะทั้งพระสงฆ์ทั้งแม่ชีทั้ง อ, อุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมนะที่ได้ช่วยทำให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นงานนี้มันไม่ใช่เป็นงานเบาเลยนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยเรากนะ็ต้องพร้อมรับนะผู้คนที่มารวมหมื่นคน ซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงจะไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับคนมากๆแบบนี้มาก่อนแต่ว่าก็ทำกันด้วยความตั้งใจทุ่มเทงานนี้นี่ก็ไม่ใช่แค่ห้าวันเจ็ดวันนะแต่สิบห้าวันก็คือครึ่งเดือนนั่นแหละนะต่อนเนื่องกันมาตลอดแต่พวกเราก็ตั้งใจกันนะ ทำให้งานสำเร็จรุลวงไปด้วยดีช่วยกันตามกำลังแม้แต่หลวงพ่อกรมนะซึ่งอายุเกือบ90แลวนี่ท่านก็ช่วยงานนี้นะตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะโดยเพราะการรับแขกถือว่าเป็นกำลังหลักเลยนะรับแขกโดยเพราะในฝ่ายพระท่านรับแขกทั้งวันเลยนะไม่มีอาการเหนื่อยอาการท้อเลย ก็ถือว่าแม้ท่านจะไม่มีเรื่องมีแรงนะแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะทำในบทบาทที่ถนัดและเป็นประโยชน์นะต่อส่วนรวมได้ในฐานะที่เป็นผู้ที่หลวงพ่อได้มอบหมายเป็นประธานจัดงานฝ่ายสงฆนะ์เรียกว่า ท, ทำงานนี้ได้ด้วยความสุขสบายใจเพราะว่าพวกเราทางานกันเป็นเอกภาพ มีความสมัคคีกันในเรื่องความคิดความเห็นความแตกต่างทางความคิดก็มีบ้างเป็นธรรมดานะแต่ว่าก็สามารถจะทำให้งานเนี่ยเป็นไปโดยาราบเรื่อเป็นเอกภาพสิ่งที่หลวงพ่อกำชับไว้ว่านะอย่าให้มีการทะเลาะนะหรือว่าขัดแย้งกันเราก็สามารถที่จะทาตามที่หลวงพ่อได้ สั่งเสียเอาไว้งานใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยโดยเพราะสำหรับกับครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากเนี่ยมันก็มักจะเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายมากโดยเพราะงานที่ที่จัดไม่เหมือนใครผู้คนที่ไม่เข้าใจอาจจะเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นผู้ที่เคารพห่างๆก็อาจจะกดดันอาจจะ เรียกร้องให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะสหราับการจัดงานครั้งนี้นสาเหตุสมคัญก็เพระหลวงพ่อได้เขียนไม่ชัดว่างานจะให้เป็นลักษณะใดซึงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องความเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยเน้นเรื่องเนื้อหาสาระคือศาสนาธรรม แม้แต่เรื่องการทอดบ้าบังสุขุณท่านก็กำชับเลยนะว่าไม่ให้มีเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องเฟอร์ไปแล้วอันนี้คนบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้ง่ายเพราะว่าอย่างน้อยๆนะมันก็เป็นการระบุของหลวงพ่อเป็นเจตนารม์ของท่านตั้งแต่แรกแล้วพวกเราก็จะว่าไปแล้วก็นับมาโชคดีนะที่ได้ ได้ทำงานถวายหลวงพ่อเพราะปกติเนี่ยอย่างที่เราทราบกันคือหลวงพ่อนี่ท่านไม่ค่อยรบกวนใครเท่าไหร่ใครที่จะมีโอกาสทำงานให้ท่านเนี่ยน้อยนะถ้าได้ทำแล้วเนี่ยก็ถือว่าโชคดีถึงแม้ว่าท่านจะล่วงรับไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานถวายท่านด้วยความพร้อมเพรียง สำหรับพระนวการนี้นะก็น่าจะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่ามีโอกาสมาบวชน้อยมีเวลาบวชได้น้อยนะแต่ว่าในเวลาสั้นๆก็สามารถที่จะทำงานนะถวายหลวงพ่อได้แล้วก็ทำกันเป็นรุ่นเลยนะรุ่นนี้นี่ก็คงจะต่อไปก็คงจะกล่าวขานกันได้ง่ายนะเพราะว่า เป็นรุ่นที่ทํางานในเรื่องของการรักสังขารของหลวงพ่อนะตั้งแต่ต้นจนจบที่จริงการขอบคุณนี่นะก็ควรจะขอบคุณไปถึงคนอีกมากมายด้วยโดยพ่อพาะที่รวมแรงสนับสนุนนะทั้งบริจาคเงินบริจาคอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งการมาตั้งโรงทาน หรือว่ามาเป็นจิตอาสางานนี้ใช้คนเยอะมากนะผู้คนก็มาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดีอย่างคับคั่ง <c oughs> ก็ได้เขียนขอบคุณไปแล้วนะไปทางเฟซบุ๊กนะว่าขอบคุณตั้งแต่ผู้ที่มาร่วมงานเลยนะเพราะว่าการมาร่วมงานนี้เนี่ยสำหรับหลายคนก็เป็นเรื่องที่ต้องสละเวลาแล้วก็ ต้องเดินทางกันมาจากที่ไกลๆเวลาก็หลายคนก็มีน้อยนะแต่ว่าก็พยายามมาทั้งนั้นที่ก็รู้ว่าอาจจะลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณก็ได้เขียนข้อความขอบคุณเข้าไปนะไปทางเฟ e บุ o k แล้วเรื่องการขอบคุณนี่นะมันจะไม่จะไม่จะไม่ครบถ้วนนะ ถ้าหากว่าจะไม่พูดถึงทีมพยาบาลของหลวงพ่ออันนี้ในานามของคณะสงฆ์นี่ก็อยากจะขอบคุณทีมที่ดูแลหลวงพ่อเพราะว่าเป็นทีมที่ทำงานหนักมากาที่จริงอยากจะขอบคุณตั้งแต่วันที่หลวงพ่ อ, อได้รับสังขารแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสขอบคุณเพราะว่าพอถึงพอหลวงพ่อรับสังขารนะ เราก็ต้องย้ายนะ ย, ย้ายย้ายกันไปปักหลักที่ภูเขาทองไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันพร้อมหน้าอย่างวันนี้นะทีมพยาบาลทีมดูแลหลวงพ่อนะต้องเลเสียสละมากนะตลอดเจเดือนที่ผ่านมาเพราะว่านอกจากจะต้องดูแลหลวงพ่อนะเกือบตลอด2ี่สิบีชั่วโมงแล้วก็ยังต้องรับภาระความรับผิดชอบ เพราะว่าสิ่งที่ทำนี่มันเป็นจะว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายก็ได้นะ ถ, ถ้าพลาดถ้าพลาดก็เกิดความเสียหายมากเพราะฉะนั้นก็เป็นงานที่รับผิดชอบสูงการพักผ่อนก็คงจะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วนะเพราะต้องทางานเกือบ24ชั่วโมงต้องตื่นมาเป็นระยะระยะตลอดทั้งคืนแล้วก็ยังต้องรับมือกับ ลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากนะที่มาเยี่ยมหลวงพ่อแล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้มาเยี่ยมแบบเปล่ามาด้วยความปรารถนาดนะีความคิดความเห็นต่างๆซึ่งบางทีเรื่องการรักษาพยาบาลก็คนละแนวทางกันก็คงจะเป็นแรงกดดันนะสำหรับผู้ที่ดูแลนะตั้งแต่ต้นเลยนะอันนี้ก็ต้องพูดก็ครวมไปถึงหมอด้วยนะหมอซึ่งหลายท่านก็มา เป็นประจำสม่าเสมอแล้วก็หมอที่มาช่วยยวงห่างทีมที่ดูแลนี้ตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์ตุม้มอาจารย์โนต้ตนะจนซึ่งเป็นทีมที่ดูแลช่วงแรกๆมาจนถึงระยะหลังก็มีมาเสริมนะัทานาจล า, าแล้วก็ท่านอันอันนี้ก็เรียกว่าทํางานกันได้ได้ประสานงานกันได้ดีนะถึงแม้ว่าจะ รับภาระที่มากแต่ว่าก็ได้ช่วยกันทำให้คณะสงฆ์นี้วางใจไปได้ว่าทั้งสีท่านรวมทั้งทีมสนับสนุนนะนอกจากหมอตองหมอปิ่งแล้วนี่ยังมีอีกหลายท่านแล้วก็ฝ่ายคารวานะโยมหมูแล้วก็อีกหลายคนคุณนิ้คุณวันเป็นต้นนะก็มาช่วยอย่างต่อเนื่อง อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสียสละนะแล้วก็สมควรที่คณะสงฆ์แล้วก็ชาวสุขตโตนี่จะจะขอบคุณที่มาทําการแานพวกเราวพวกเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกหรือว่าทํากิจส่วนตัวได้อย่างราบรื่นก็เพราะว่าโดยที่ไม่ต้องอพะวงกับหลวงพ่อมากนักเพราะว่ามาีทีมผู้ดูแลนะมาช่วย น, นี่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งทีนะ่อยากจะบอกกล่าวนะสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเจเดือนที่ผ่านมาแล้วก็รวมทั้งเมื่อมอีเมื่อถึงคราวที่เราต้องทำงานถวายให้กับหลวงพ่อเพื่อที่จะโปรเงสิรัรา์ของท่านให้ไม่ใช่แค่สมเกียรตนะิแต่สมธรรมสมธรรมก็คือว่า สอดคล้องหรือตรงกับธรรมที่หลวงพ่อได้สอนหลวงพ่อได้แสดงหรือที่หลวงพ่อได้เป็นแบบอยา่างเราก็ทำได้เรียกว่าดีพอสมควรทั้งในส่วนของอเนื้อหาสาระแล้วก็ในส่วนของการจัดการอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่ร่วมวผู้ที่ร่วมงานอันนี้ก็เป็ลว่าเป็นการจบไปฉากหนึ่ง นับจากนี้ไปนะเราก็ก็เริ่มต้นฉากใหม่สุกโตจากนี้ไปนะนก็เป็นสุกโตที่แตกต่างจากเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วเพราเป็นสุกโตที่ปราศจากหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อเป็นเป็นเป็ น, ปนผู้นําทางจิตใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือต้องช่วยกันนะที่จะทําให้สุกโต สามารถที่จะสืบทอดเจตานารวมของหลวงพ่อไปได้โดยเพราะการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมควบคูไ่ไปกับการรักษาป่านะอนุรักษ์ธรรมชาติให้สอดคล้องกันทั้งธรรมะและธรรมชาติอันนี้ก็โยมไปถึงภูหลงนะแล้วก็ภูเขาทองด้วยพวกเราไปวัดภูเขาทองก็คงจะเห็นนะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวัดบ้านแต่ว่าต้นไม้ก็เยอะทีเดียวถ้านะจะเป็นป่า ป่าน้อยๆเลยอันนี้ก็สะท้อนถึงแนวคิด ข, ของหลวงพ่อทั้งในเรื่องของธรรมะและธรรมชาติถึงแม้ว่าเพดกปกภูเขทองนี่จะหนักไปทางด้านศา ส, สนพิธีนะแต่ว่าเรื่องศาสนาธรรมแล้วก็ธรรมชาติก็ไม่ทิ้ง น, นี่เฉพาะใกล้ตัวเนี่ยน ะ, ะพวกเราหลายคนนะในช่วงครึ่งเดืนที่ผ่านมานะก็คงสารลวันกับงานการต่างๆมากมายงานนี่ ทำต่อเนื่องมาถึงตอนนี้มันยุติแล้วนะหลายคนนี้อาจจะยังยังยังปรับใจไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ารถที่แล่นเร็วๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็เบรกซะแล้วนะพองานจบนี้อาจจะรู้สึกคว้างบางคนจะรู้สึกว่าปรับตัวเข้ากับชีวิตแบบเดิมๆที่สงบอยู่กับตัวเองนะ ดูกายดูใจอยู่กับทางจงกรมหรือว่างานภาวนาอันที่ผ่านมานี่เราก็ทำงานนะในเชิงที่เป็นเรื่องกิจการต่อส่วนรวมเยอะนะตอนนี้มันจบแล้วนะเราก็ต้องกลับคืนสู่วิธีชีวิตตามปกติของเราตั้งแต่เรื่องการทำวัาสดมนนะซึ่งแต่ก่อน มันก็แยกเป็นสองที่นะตอนนี้เราก็มากลับมารวมกันใหม่นะที่นี่ก็ขอให้ให้เหมือนเดิมนะให้กลับมามาทากิจวัตรเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการทำวัดสดมนการบินธรบารรวมทั้งการภาวนาด้วยมันคนที่ทำงานมากๆบางทีมันติดน ะ, ะทำงานหลายวันติดๆกันเนี่ยพอ พองานเสร็จเนี่ยอาจจะรู้สึกเหงาขึ้นมาเลยทั้งที่ตอนที่ทํานี่อาจจะอาจจะบน่นอาจจะรู้สึกว่างานมันเหนื่อยทําให้เหนื่อยรู้สึกงานล้าแต่ว่าใจนี่มันก็อาจจะยังติดไปกับงานนะเราต้องสามารถที่จะดึงจิตของเรากลับมาสู่กิจวัตรปกติสู่การาภาวนาให้ได้ อย่าปล่อยใจให้มันเพลินไปกับการทํางานนะจนลืมกายลืมใจหรือว่าจนาไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ตัวเองได้ครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่ามันมีทั้งเรื่องที่หนักแล้วก็เข้มข้นมากนะก็คือการจากไปของหลวงพ่อซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่กระทบอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน แต่ละคนแต่ละคนนี่ไม่น้อยทีเดียวแล้วก็แต่ว่าอาจจะยังไม่มีเวลาที่จะมาอ้อยอิงอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนี้ได้นะเพราะว่ามันมีงานการให้ทํามีงานการทำนะซึ่งก็คื อ, อา ง, งาน อ, อย่างงานป่งศิระหลวงพ่อเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาคิดโน่นคิดนี่หรือปล่อยให้อารมณ์ที่โศกเศร้า เศรหน่อยนะมันเข้ามาเล่นงานจิตใจได้แต่พองานเสร็จแล้วนี่มันก็อาจจะคื่นพลานเข้ามานะก็เหมือนกับหลายคนนะเวลาที่สูญเสียคนรักสูญเสียพ่อแม่สูญเสียลูกสูญเสียสามีภรรยาเนี่ยเสียใจก็จริงนะแต่ว่าเนื่องจากต้องทํางานศพงานศพนี่มันก็เป็นงานใหม่ที่ต้องทําให้สารวณไอตอนที่ทํางานศพนี่มันก็ไม่มีเวลาที่จะมาใจมันไม่เปิดช่องให้ ความเศร้าความเสียใจความความเหงามันเข้ามาครอบงำได้ในแต่พองานเสร็จงานจบผู้คนที่เคยมามามาร่วมงานหรือมาช่วยงานเขาก็ค่อยแยกย้ายกันกลับไปหลายคนก็กลับมาอยู่นะกลับตัวคนเดียวแต่คราวนี้ไม่มีคนรักพ่อหรือแม่อยู่ด้วยไม่มีลูกหรือว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยเนี่ย ตอนนั้นแหละที่ความเหงาความเศร้านี่มันจะจับใจมากอันนี้เป็นธรรมดามากเลยถ้าพวกเราที่เป็นนักปฏิบัตินะก็อาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะและโดยเฉพาะคนที่ผูกพันกับหลวงพ่อนะหรือว่ารู้สึกเสมอว่าท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสุขโตอย่างเช่นอาจจะวันทุกวั น, ท, วนทุกวันเดินผ่านกุฏิท่านก็เห็นท่านอยู่ที่ระเบียงเห็นไฟเปิดอยู่ในห้อง แล้ววันนี้ไม่มีแล้วนะก็ จ, จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างหรือว่าคนที่คอยคอยดูแลท่านแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีท่านแล้วมันจะรู้สึกเหงา่ารู้สึกเปล่าเปลี่ยวขึ้นมาได้ น, นี้เป็นธรรมดามากนะก็ให้ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จ ะ, ะผ่านมันไปได้ในส่วนคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกทํานองนี้นะแต่ว่า ความที่ไปหมกมุ่นกับงานตลอดครึ่งเดือนนะพองานจบนะมันก็ก็ต้องปรับตัวกลับมาสู่วิถีชีวิตตามปกติให้ได้กลับมาสู่ชีวิต ท, ที่สงบนะไม่ไม่วุ่นวายที่ผ่านมาสองสองอาทิตย์นี้อาจจะวุ่นนะคราวนี้เราต้องกลับมาว่างแล้วกลับมาว่างอย่างน้อยก็ว่างทิศใจของเรานะไม่มีเรื่องที่ต้องคิดไม่มีเรื่องที่ต้องแก้ไข วางแผนอย่างที่ได้เคยทำเมื่ อ, อครึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ตั้งหลักให้ได้นะเพราะว่าเวลามันเหลือ น, น้อยนะตอนนี้ก็เลยแค่เดือนเดียวก็จะออกพรรษาแล้วเวลามันจะผ่านเร็วมากเนะ่ยเดือนแรกเนี่ยจะผ่านไปช้าเดือนที่สองก็จะเร็วขึ้นเดือนที่สามจะเร็วมากนะถ้าเราเผลอปุ๊บเดียวนี่มันออกพรรษาแล้ว สำหรับพักใหม่ก็อาจจะใกล้เวลาศึกแล้วเพราะฉะ น, นี้ก็ต้องนะอย่าอย่อยอยานะอย่าประมาทนะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโดยปร่ประโยชน์นะก็พยายามที่จะทำกิจวัตรของเราแต่ละวันให้เป็นไปเพื่อการภาวนาเพื่อการมีสติมีความศึกตัวไม่ว่าจะอยู่ที่กุฏิหรือว่าออกไปเจอผู้คนอย่าอย่า อย่าปล่อยใจไปกับความคุ้นเคยใหม่ๆนะที่ปรับตัวได้นะเช่นปรับตัวกับผู้คนนะเจอรู้สึกคุ้นเคยกับนะเพื่อนที่มาบวช ด, ด้วยกันโดยเพราะมาทำงานด้วยกันนะที่วัดภูเขาทองเนี่ยคุ้นเคยกันนะพอคุ้นเคยกันแล้วนี่กลับมาที่นี่ก็อาจจะติดใจนะไปคลุกครีกันนะอันนี้ต้องระวังนะ เพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะพยายามอยู่กับตัวให้มากตอเมื่อมีงานมีการอาถึงค่อยไปเกี่ยวข้องกันหรือว่าเกี่ยวข้องกันแต่พอสมควรในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมวัดหรือว่าเพื่อนนักปฏิบัติแต่ว่าใอเรื่องการทเกิจส่วนตัวในเรื่องการภาวนาเ น, นี้ย น, นี้ต้องต้องถือเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าเรามีเวลาน้อยอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้หมายเฉพาะพระฉะนั้นนะาญาติโยมนะก็เหมือนกันบางคนอาจจะมีเวลาสั้นกว่า น, นี้เลยซ้ำอาจจะมีเวลาเหลือไม่ถึงเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามกลับเข้ามาสู่การปฏิบัติกลับเข้ามาสู่การดูกายดูใจสร้างความสุขตัวให้มีขึ้นพอใจในการที่จะอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเอง ซึ่งเชื่อว่านะเราก็คุนกับกิจวัตรแบบนี้มาก่อนแล้วนะก่อนที่จะหลวงพ่อจะล่วงลับไปใช้เวลาไม่นานนะสองสามวันเดียวก็ปรับตัวได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะรู้สึกเป็ น, นอันหนึ่งอันเดียวกันนะกับการภาวนาแล้วก็ อย่าลืมและข้อสาคัญคือการพยายามสร้างฉันทายเกิดขึ้นกับการภาวนาให้ได้การเจริญสติปัฏฐานหลาอา จ, จะมีเวลาเรามีเวลาอาจจะไม่มากนะแต่ว่าถ้าเรามีฉันทะในการปฏิบัติถึงแม้เราต้องออกจากวัดกลับไปสู่ภูมิลาเนากลับไปสู่บ้านของเราไอฉันทะนี่แหละนะที่มันจะทำให้เราทย่างทยังภาวนาได้ต่อเนื่อง เนะพราะพอมีชันทะมันเป็นนิสัยแล้วมันอยากทําทําแล้วมีความสุขมื่คนที่มีชัน้นทาในการออกกําลังกายไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปประชุมสัมมนาที่ไหนเขาก็จะต้องออกไปจ็อกกิ้งออกกําลังกายนะทุกเช้าหรือทุกเย็นเพราะว่ามันกลายเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นจากชันทนะตุวันไหนถ้าไม่ได้ทําแล้วก็โจ๋ยสขาขาดอะไรไปบางอย่าง ให้เราปลูกสันทะให้มีขึ้นนะในเรื่องของการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวหรือการภาวนาอันนี้มันโดยเพราะการทำในรูปแบบนะมันจะช่วยทำให้ถึงแม้เราจะกลับบ้านไปนะถึงแม้เราจะมีเวลาอยู่ไม่มากนักที่วัดแต่เราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เกิดความต่อเนื่องไม่ใช่ว่า มานั่งเสด็จองเสด็จไดว่าเนี่ยมีเวลาเหลืออยู่ในวัดน้อยกลับไปบ้านจะทําอย่างไรทําได้เสมอนะอยู่บ้านก็มีเวลาปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็มีเวลาปฏิบัติทั้งนั้นถ้าคนที่ชอบบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าหลวงพ่อท่านเคยพูดกับคนที่บอกไม่มีเวลาปฏิบัติว่า แล้วทำไมถ these these ึงมีเวลาทุกเวลาทุกก็มีเวลาโกรธแตมีเวลาหลงกัมีแล้วจะบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติได้อย่างไรเสียเวลาไปกับความทุกเนี่ยเป็นวันๆเสียเวลาไปความโกรธเป็นวันๆไม่ต้องแค่ความโกรธนะเอาแค่ความวิตกกังวลเนี่ยเราก็เสียเวลาไปให้กับความวิตกกังวลนี่เป็นชั่วโมงๆนะแล้วจะบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติได้อย่างไร เวลาปฏิบัติเนี่ยมันต้องมนะีเพราะขนาดเวลาทุกยังให้เวลากับมันต้องเยอะเวลากลรธก็ให้เวลากับมันต้องเยอะอันนี้เป็นเพราะเราไม่รู้ตัวมากกว่านะอันนี้ก็รวมไปถึงคนที่นะคนที่มีกิ จ, จา ก, การนะมีกิจงานมีกิจมีการงานนะในวัดนะเช่นครัวนะคนที่อยู่ในครัวจะบอกว่างานเยอะนะไม่มีเวลาปฏิบัตนะิเราสามารถจะเอาเวลา ที่อยู่ในครัวนี้ปฏิบัติก็ได้หรือถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาปฏิบัติในรูปแบบมากนะักก็จะไปเสียเวลากับหรือไปให้เวลากับความโกรธไปให้เวลาความหลงไปให้เวลาความวิตกกังวลความหงุดหงิดขัดเคืองใจเราแต่ละคนก็มีเวลาเหลือน้อยกันทั้งนั้นนะ ม, มีเวลาอยู่ในโลกนี้เหลือน้อยลงไปทุกทีเหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะฉะ้ควรใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่าปล่อยเวลาเสียไป กับความเศร้าปกับความยิตกกังวลแบบการข้ามครวนเราไม่ควรจะมีเวลาทุกให้มากไปกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเวลาเราเหนือเหลือน้อยลงถ้าไม่คิดถึงความตายของตัวเองเนี่ยเราจะปล่อยเวลาให้หมดไปไม่ใช่แค่หมดเวลาไปกับความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ยังไม่รู้สึกรู้ซาการปล่อยเวลาให้หมดไปกับความทุกข์ไปกับความยิตกกังวลไปความโกรธแค้นพยาบาท ต้องฉลาดนะในการที่จะดึงจิต ก, กลับมาเตือนเตือนใจตัวเองว่าเนี่ยจะเสียเวลาทุกไปทําไมจะเสียเวลากรดไปทําไมจะเสียเวลาวิตกกังวลไปทําไมเรามาตั้งสติให้ได้เราก็ทําสิ่งที่ควรทําดีกว่าดีกว่ า, ว า, วาจะมานั่งเจาะจุกกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจนะอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ควรจะเตือนใจเราในระหว่างที่เรามาปฏิบัติที่นี่ด้วยนะเพราะว่าถึงแม้มาปฏิบัติ บางทีมันก็เอาก็เผือใช้ชีวิตแบบเวลาอยู่ที่บ้านนะปล่อยใจให้หมดปล่อยเวลาให้หมดไปกับความทุกข์ปล่อยเวลาให้หมดไปกับความอ่าหนุดหิดขัดเคืองใจนะหมดไปกับความหลงหไปความปรุงแต่งยิ่งมีเวลาอยู่ในวัดน้อยมีเวลาปฏิบัติน้อยยิ่งต้องต้องฉลาดในการปล่อยวางเรื่องอะไรที่ทำให้ขุนเคืองใจทําให้วิตกกังวลหรือว่าทําให้ คล่ำครวญนะต้องปล่อยวางไวไวเร็วๆเราจะได้มีเวลาเหลือสําหรับการทําสิ่งที่มีค่าคือการภาวนาแต่ตอนนี้ทางไว้ก็พวกเรากลับมาสู่วิธีที่ตามปกติแล้วนะก็ให้เราทำเหมือนอย่างที่เราเคยทําหรือทําให้ดียิ่งกว่าเดิมอันนี้ก็จะทำให้การใช้ชีวิตของเราการใช้เวลาของเรามันมีคุณค่ามากขึ้น เอาคำนี้ก็เพือ่อนนนทรนะกรบาบพระ